กับหนึ่งนานแค่ไหนปัญหามีอยู่ว่าคําว่ากับหนึ่งนานแค่ไหนคือกินเวลานับเป็นร้อยร้อยล้านปีหรือเป็นพันพันล้านปีหรือเป็นหมื่นหื่นล้านปีหรือเป็นแสนแสนล้านปีหรือมากกว่านี้เพื่อที่จะได้รู้ว่ากับหนึ่งในความหมายของพุทธศาสนา น, า น, านั้นมีความนานแค่ไหนก็ ข, ขอให้ศึกษาจากพุทธพจน์ ดัตงตอไปนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเทตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวสถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุกรรมหนึ่งนานมากและไม่ใช่เป็นการง่ายเลยที่จะนับว่ากรรมหนึ่งนานเท่านั้นเท่านี้คือบอกไม่ได้ว่านานนับเป็นร้อยปีพันปีหรือแสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าข้าอาจอุปมาได้ภิกษุเหมือนอย่างว่า ภูเขาหินลูกใหญ่ยาวหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแควนกาสีมาปัดถูภูเขาลูกนั้นร้อยปีต่อหนึ่งครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นก็จะพึงถึงการหมดสิ้นไปเพราะความพยายามนี้เร็วกว่าส่วนกลับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไป กับนานอย่างนี้และกับหนึ่งถึงแม้จะนานถึงเพียงนี้แต่พวกเธอก็ได้ท่องเที่ยวไปแล้วคือเวียนไหวาตายเกิดม่ใช่กับหนึ่งไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่พันกับไม่ใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัตนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และอื่นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอที่จะหลุดพ้นดังนี้และอีกตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอุปมาอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุเหมือนอย่างว่านาครที่ทำด้วยเหล็กยาวหนึ่งยอกว้างหนึ่งยอสูงหนึ่งยอเต็มไปด้วยเมล็ดพันุ์ผักา มีเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งออกจากนครนั้นโดยล่วงไปหนึ่งร้อยปีต่อหนึ่งเมล็ดเมล็ดพันธุ์รกาศกองใหญ่นั้นก็จะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้เร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไป กับนานอย่างนี้แลกับหนึ่งที่แม้จะนานถึงเพียงนี้พวกเธอก็ได้ท่องเที่ยวไปแล้วไม่ใช่กับหนึ่งไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่พันกับไม่ใช่แสนกับข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าสังสารวัตกําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และอื่นๆและในพระสูตรอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคนหนึ่งแล่นไปท่องเที่ยวไปคือเวียนไหวตายเกิดตลอดกับหนึ่งร่างกระดูกหมู่กระดูกกองกระดูกของเขาก็จะพึงเป็นกองใหญ่เหมือนภูเขาวเวปุระบันพดนี้หมายเหตุภูเขาวเวปุระบันพดนี้เป็นภูเขาลูกหนึ่งในจำนวนภูเขาห้าลูก ที่ล้อมรอบเมืองราชเครือและเป็นลูกที่ใหญ่กว่าลูกอื่นๆทั้งหมดภูเขาคิจกูดก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งในจำนวนห้าลูกนี้ถ้าหากว่าใครๆจะพึงรวบรวมกระดูกเหล่านั้นไปกองไว้และกระดูกทั้งหมดเหล่านั้นจะไม่มีใครมานำไปทำให้สิบหายจากหลักฐานต่างๆที่อ้างมานี้ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นพุทธพจนานพอจะชี้ให้เห็นได้แล้วว่ากับกับหนึ่งซึ่งหมายถึงอายุของโลกตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงคราวที่โลกนี้พินาศนานมีความยาวนานมากเหลือเกินคือนานจนกระทั่งนับไม่ได้ว่ามีจานวนเท่าไรกันแน่และอีกอย่างหนึ่งตามข้อความในพระไตรปิฎกที่อ้างมานาน ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นสำนวนที่นิยมใช้กันอย่างนั้นจะถือเอาเป็นจริงตามนั้นไม่ได้ขอให้นึกถึงอุปมาแล้วก็จะเข้าใจว่ากับหนึ่งนานมากแค่ไหนแต่ถ้าจะถือเอาเป็นจริงตามอุปมาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะนานถึงปานนั้นเช่นที่กล่าวว่ากลับกับหนึ่งมีระยะการ เท่ากับคนคนหนึ่งตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดจนกระทั่งกองกระดูกรวมกันแล้วใหญ่โตเท่ากับภูเขาเวฬุบุระบันพศแม้กระนานคนเราก็ยังจะต้องเวียนไหวตายเกิดไปอีกหลายกลับเช่นนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ควรจะถือเอาเป็นจริงตามอุปมานี้จนเกินไปนัก ควรถือเอาแต่เพียงว่ากับกับหนึ่ง น, นั้นนานมากจริงๆคือนานมากจนนับไม่ได้ว่านานเท่าไรเพียงเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วอันหนึ่งข้อความในพระสูตรนี้ยังมีปัญหาอีกตอนหนึ่งที่ควรจะทําความเข้าใจให้แจ่มแจ้งคือข้อความที่ว่าสังสารวัตรนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไม่ได้ ข้อความอันนี้แปลมาจากบาลีว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นอันใครๆตามไปรู้ไม่ได้คือเงื่อนต้นหรือที่สุดเบื้องต้นของสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดซึ่งยังจะต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนั้นย่อมไม่ปรากฏ หรืออันใครๆรู้ไม่ได้และข้อความตอนนี้ในอันธกถ า, าได้ที่บายไว้ดังนี้บทว่าอนามตักโคแปลว่ามีที่สุดเบื้องต้นอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้คือแม้จะใช้ยานติดตามไปคือเราลึกชาติถอยหลังไปสิ้นร้อยปีพันปีก็ไม่อาจจะรู้ถึงที่สุด คือเบื้องต้นคือชาติแรกได้คือไม่อาจจะรู้ถึงที่สุดข้างนี้หรือข้างนั้นได้คือกําหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้อันหนึ่งข้อที่ว่าแม้จะติดตามไปด้วยยานสิ้นร้อยปีสิ้นพันปีก็ไม่อาจจะรู้ถึงที่สุดได้คําว่าติดตามไปด้วยยานซึ่งหมายถึงการระลึกชาติถอยหลังไป ด้วยบุเพนิวาสานุสติญาณ น, นั้นจะพึงเห็นได้จากพุทธพจน์ดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณนะครั้งนั้นแหลภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้ว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 กับหนึ่งนานเป็นร้อยร้อยปีเท่านี้หรือนานเป็นพันพันปีเท่านี้หรือนานเป็นแสนแส น, แสนปีเท่านี้ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่าอาจจะอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายครั้นแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสาวกสี่รูปในาศาสนานี้ เป็นผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีหากท่านเหล่านั้นจะพึงระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกลับกับที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ถึงก็ยังพึงมีอยู่อีกสาวกสี่รูปของเราผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงทํากาละโดยร่วมไปร้อยๆอยปีโดยแท้คือแต่ละองค์ แม้จะลึกได้วันละแสนกับระลึกอยู่ถึงร้อยปีก็ยังระลึกได้ไม่หมดคือยังมีกับที่ระลึกไปถึงเหลืออยู่อีกและท่านเหล่านั้นก็จะพึงตายไปก่อนกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมีจำนวนมากอย่างนี้แลมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่านานเท่านั้นปีเท่านี้ปีจากข้อความในอัธถาศ ท่านอธิบายว่าชาติแรกหรือชาติเริ่มต้นนั้นไม่มีใครรู้ได้คือแม้แต่ผู้ที่สามารถระลึกชาติได้นับเป็นกับกับก็ไม่อาจจะระลึกไปถึงชาติแรกหรือชาติที่เริ่มต้นได้คือไม่ว่าจะระลึกได้มากสักเท่าไหร่ก็ยังมีชาติต่อไปที่ยังระลึกไม่ได้เหลืออยู่อีกและสําหรับสัตว์ที่ยังมีอวิชาตันหานั้น นอกจากระลึกถึงเบื้องต้นไม่ได้แล้วแม้แต่เบื้องปลายคือชาติสุดท้ายว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรก็ระลึกไม่ได้ด้วยอนาคตังสยานด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏคือไม่อาจจะรู้ถึงที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายได้แต่อย่างไรก็ดีสําหรับพระพุทธเจ้า ซึ่งสามารถที่จะล่วงรู้อดีตไปจนกระทั่งถึงตอนที่โลกนี้เริ่มต้นคนแรกเกิดขึ้นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถรู้ได้ดังเช่นที่พระองค์ตรัสไว้ในเรื่องอักขัน ญ, ญสูตรนั้นก็ทรงรู้แต่เพียงว่ามนุษย์พวกแรกนั้นมาจากพวกอภัสรพรหมและเมถึงคราวที่โลกนี้ที่นาศงูสัตว์โดยมาก ก็จะพาไปเกิดในอาพัสลาพรมซึ่งหมายความว่าเฉพาะผู้ที่ได้ทุติยาชานเท่านั้นส่วนพวกที่ทำบาปไว้มากหรือทำบุญไว้มากแต่ไม่ได้ชานแน่นอนพวกเหล่านี้ก็จะต้องไปเกิดอยู่ในภูมิที่เหมาะสมแก่กรรมของตนของตนซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้ในพระสูตรเดียวกันนี้ แต่ก็เป็นอันรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนดังที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวันหนึ่งโลกนี้จะต้องพินาศด้วยไฟด้วยน้ำหรือด้วยลมกรุงสาวัตถีในเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกก่อนภิกษุทั้งหลาย สังสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นอันใครๆตามไปรู้ไม่ได้สำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ซึ่งยังจะต้องท่องเที่ยวไปมาอยู่นั้นเงื่อนต้นแห่งสังสารของสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่ปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่หรือมีได้คือ สมัยที่มาหาสมุทรจะเหือดแห้งไปหมดไม่มีน้าเหลืออยู่เลยแต่ถึงกระนั้นสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้เมียวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมัดนั้นเราตรถาคตก็กล่าวว่าสัตว์เหล่านั้นจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้คือตราบใดที่ยังเมียวิชาตันหาแม้จะมีการเวียนว่ายตายเกิดไป จนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยที่ภูเขาซีเนรูราชหรือภูเขาหิมาลายัยจะถูกไฟไหม้พิาตไปไม่มีเหลือและอื่นๆภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่ คือสมัยที่แผ่นดินใหญ่คือแผ่นดินในโลกนี้ทั้งหมดจะถูกไฟไหม้พินาศไปไม่มีเหลือและอื่นๆเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้หรือจั ก, กรวาล น, นี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะเสื่อมไปอย่างไรนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสงไขย คือระยะการที่นานนับไม่ได้แห่งกับนี้มีอยู่สอย่างคือ 1. สังวัตตกับคือระยะการเมื่อกับพี่นาดยากที่จะนับว่านานเท่านั้นเท่านี้ปีและอื่นๆื่สอังวัตต ถ, ถายีกับคือระยะการเมื่อกับอยู่ในระหว่างพี่นาดก็ยากที่จะนับว่านานเท่านั้นเท่า น, น, นี้ปี 3. วิวัตตะกับคือระยะการเมื่อกับกลับเจริญก็ยากที่จะนับว่านานเท่านั้นเท่านี้ปี 4. วิวัตตัดถายีกับคือระยะการเมื่อกับอยู่ในระหว่างเจริญก็ยากที่จะนับได้ว่านานเท่านั้นเท่านี้ปีภิกษุทั้งหลายนี้แลอสงไขสีแห่งกับจากข้อความในภาษาบาลี ในอัธกถ า, าได้ที่บายไว้ว่าความพิรุษของกลับมีอยู่สามอย่างคือบางครั้งกับนี้หรือโลกนี้ก็พิรุษด้วยน้ําบางครั้งก็พิราษด้วยไฟและบางครั้งก็พิราษด้วยลมซึ่งเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ณอัมพะปาลีวันใกล้พระนครเวสาลีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทําให้หนักใจอยู่เสมอเพราะเหตุที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นแหละฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงควรที่จะเบื่อหนาย คลายความยินดีในสังขารทั้งปวงทำใจะให้หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุซึ่งยาว 84,000 ยนดกว้าง 84,000 ยนดอย่างลงในมหาสมุทร 84,000 ยนดสูงจากมหาสมุทรขึ้นไป 84,000 ยอด คือสูงจากระดับน้ำทะเล 8,400 โยชน์มีการบางครั้งบางคราวที่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเมื่อฝนไม่ตกพืชคามผู้ตะคามและตินชาติที่ใช้เข้ายาที่เป็นสมุนไพรป่าไม้ใหญ่ย่ยอมเฉาเกี่ยวแห้งเป็นอยู่ไม่ได้ฉันใด สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทําให้หนักใจอยู่เสมอฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงควรที่จะเบื่อนายคลายความยินดีในสังขารทั้งปวงทําจะให้หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยที่บางครั้งบางคราว โดยการเวลาล่วงไปนานพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นแม่น้ําลําคลองทั้งหมดย่อมวอดแห้งไม่มีน้ําฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงและอื่นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยที่บางครั้งบางคราว โดยการเวลาล่วงไปนานพระอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏขึ้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมิทั้งหมดย่ำงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนานเป็นสภาพไม่เที่ยงและอื่นๆ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยที่พระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏขึ้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏแม่น้ําสายใหญ่ๆที่ไหลามารวมกันเป็นแม่น้ําแม่น้ําสายใหญ่ที่ไหลามารวมกันเป็นแม่น้ําใหญ่คือแม่น้าําคงคายมุนาอาจิรวดีสรภูมห ah e, ี ทั้งหมดยั ง, งวดแห้งไม่มีน้ําฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงและอื่นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยที่บางคลังบางคราวโดยที่การเวลาล่วงไปนานพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏขึ้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ําในมหาสมุทร ซึ่งลึกร้อยยอดก็ดีสองร้อยยอดก็ดีสามร้อยยอดก็ดีสี่ร้อยยอดก็ดีห้าร้อยยอดก็ดีหกร้อยยอดก็ดีเจ็ดร้อยยอดก็ดียังงวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีหกชั่วต้นตาลก็มีห้าชั่วต้นตาลก็มีสี่ชั่วต้นตาลก็มีสามชั่วต้นตาลก็มี สองชั่วต้นตาลก็มีชั่วต้นตาลเดียวก็มีเพียงเอวเพียงเข่าเพียงข้อเท้าเพียงในรอยเท้าโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่ในที่ต่างๆเพียงในรอยเท้าโคเปรียบเหมือนในฤดูแล้งเมื่อฝนมเล็ดใหญ่ๆตกลงมา น้ำเหลืออยู่ในที่ต่างๆเพียงในรอยเท้าโคชนานเพราะพระาทิตดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรเพียงข้อนิ้วก็ไม่มีฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงและอื่นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยบางครั้งบางคราว โดยการเวลาล่วงไปนานพระอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏขึ้นพระอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาซิเนรูย่อมมีกลุ่มควันพุ่งขึ้นเปรียบเหมือนนายช่างปั้นหม้อเผาหม้อที่ปั้นดีแล้วย่อมมีกลุ่มควันพุ่งขึ้นฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เป็นสภาพไม่เที่ยงและอื่นๆ ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมีอยู่คือสมัยที่บางครั้งบางคราวโดยการเวลาล่วงไปนานพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ปรากฏขึ้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาซินเนรู้ก็จะร้อนลุกเป็นไฟโชั่วช่วงมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินและขุนเขาซิเนอรู้ร้อนเป็นไฟลุกโชน ลมก็จะหอบเอาเปลวไฟพุ่งไปจนถึงพรหมโลกเมื่อขุนเขาซิเนรูถูกไฟเผาลุกโชนกําลังทลายถูกกองเพลิงใหญ่เผาท่วมตลอดแล้วยอดเขาแม่ขนาดร้อยยชดสองร้อยยอดสามร้อยยอดสี่ร้อยยอดห้าร้อยยอดยอด่ยอมพังทลายเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซิเนรูถูกไฟเผาผลาญอยู่ จะไม่มีขี้เท่าและเคาเหม่าปรากฏเปรียบเหมือนเมื่อเนยใสยหรือ น, น้ํามันถูกไฟเผาแผลนอยู่ย่อมไม่ปรากฏขี้เท่าและเคาเหม่าวฉะนั้นดูก่อนที่สูตทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทําให้หนักใจอยู่เสมอฉะนั้นจึงควรที่เธอทั้งหลายจะพึงเบื่อนาย คลายความยินดีในสังขารทั้งปวงทำใจให้หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงดูก่อนทิกสุทั้งหลายในเรื่องนี้ใครจะรู้ใครจะเชื่อว่าแผ่นดินนี้และขุนเขาซิเนรุจกถูกไฟไหม้พินาสไม่มีเหลือนอกจากอริยสาวกกู้มีบทอันเห็นแล้วคือได้เห็นบทคือ น, นิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่อสุเนตตาเป็นเจ้าลัทธิเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดในกามก็ศาสดาชื่อสุเนตตะนั้นมีสาวกอยู่หลายร้อยเธอแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมโลกและเมื่อสุเนตตะศาสดา แสดงธรรมเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมโลกสาวกเหล่าใดรู้ทั่วถึงคำสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติพรหมโลกส่วนสาวกเหล่าใดยังไม่รู้ทั่วถึงคำสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปบางพวกเข้าถึงความเป็นสหาย แห่งเทวดาชั้นปรินิมิตะวสวัสดีบางพวกเข้าถึงความเป็นสาย i แห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีบางพวกเข้าถึงความเป็นสาย i แห่งเทวดาชั้นดุสิตบางพวกเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นยามาบางพวกเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นดาวดึง บางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชันจาตุมมหาราชบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาสาลบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาสาลบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหาบดีมหาสาลดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแล สุเนตตศาสดามีความคิดเห็นว่าการที่เราจะบึงเป็นผู้มีสติเสมอกับสาวกในสัมปรายภพไม่สมควรเลยที่ฉะนั้นเราควรจะเจริญเมตตาให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้งนั้นแลสุเนตตศาสดาจึงได้เจริญเมตตาจิตตลอดเจ็ดปีแล้ว ไม่มาสู่โลกนี้ตลอดเจ็ดสังวัตวิวัตรกรรมเมื่อโลกวิบัติเข้าถึงพรมโลกชั้นอาภาสราเมื่อโลกเจริญเข้าถึงวิมานพรมที่ว่างในวิมานานั้นสุเนตศาสดาเป็นพรมเป็นท้ามหาพรมเป็นใหญ่ไม่มีใครยิ่งกว่าครูเห็นเหตุการณ์โดยท่องแท้เป็นผู้มีอำนาจมาก เกิดเป็นเท้าศักกะจอมเทวดา36ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชามีสมุดทั้งสี่เป็นขอบเขตผู้ได้ชัยชนะสงครามสถาปนาประชาชนไว้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างพร้อมด้วยรัตนนาเจ็ดประการหลายร้อยครั้งพระราชโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิ ล้วนแต่อง์อาจกล้าหาญชาญชัยย่ำยีศัตรูได้พระเจ้าจั ก, กรพรรดนั้นทรงปกครองปัตภีมณฑ น, นอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตไม่ต้องใช้อายาไม่ต้องใช้ศาสตราใช้ธรรมปกครองจูก่อนภิกษุทั้งหลายสุเนตาศาสดานั้นแหลเมีอายุยืนนานดำรงมั่นอยู่อย่างนี้ แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนต์และอุปาญาตเพรากล่าวว่าไม่พ้นจากทุกได้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะยังไม่ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดทำสี่ประการทำสี่ประการเป็นชไหนคืออริยะศีลหนึ่ง อริยสมาธิหนึ่งอริยปัญญาหนึ่งอริยวิมุตต์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยศีลอริยสมาธิอริ ย, ร ย, รรยปัญญาอริยวิมุตต์เราตรัสดูแล้วแทงตลอดแล้วเราถอนตัณหาในภพได้แล้วตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภบใหม่ไม่มี